ทำไมให้ข้อมูลมีสติสัมปชัญญะแล้วเขาก็สุขสนไปเอาข้อมูลนั้นตื่นหลายอย่างความพอใจความไม่พอใจความยินดียินล้ล่อะไรต่างๆจนเป็นจริตนิสัยกลายเป็นความโลภ ค, ความโกรธ ค, ความหลงเป็นรลคาโทรศัโมหะไปออกหน้าออกตา ก่อนพูดก่อนทําก่อนคิดยังไม่เคยมีสติสมัชชัญญาเลยเราจึงมาฝึกตนมาฝึกตนบทฝึกหัดบทลำนำเขาตองลำนำลำดับใส่ความรู้สึกเพิ่มความรู้สึกเข้าไปจึงจาเป็นต้องสร้างรูปแบบเพื่อไต่เต้าเพื่อเป็นี่ตั้งเพื่อเป็นนิมิตเป็นที่วาง มาเก็บบรรทัดเขียนหนังสือใส่บรรทัดให้มันถูกที่ถูกทางมันก็เอ่ยออกเข้าใจชีวิตของเราเหมืกัน <c oughs> วิชากรรมฐานเป็นวิชาที่ให้ข้อมูลให้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกายของจิตก็เป็นวิชาที่สอนตัวเราแท้ๆนี่แหละ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 มันก็มีจริงๆิกายมันก็มีจริงๆงสติมันก็มีจริงๆรีงรีบดรูบแบบก็มีจริงจริงลักษณะก็มีจริงถ้าเดินก็เดินจริงๆมือวางไว้บนเข่ามันก็วางไว้บนเข่าจริงจริงก็ยกมือเคลื่อนไหวไปมาไม่ได้ไปหาไม่ต้องไปใช่ปัญญาไม่ใช่เหตุใช่ผลเป็นการสัมผัสเป็นการลงพื้นที่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 ได้ไปสัมผัสกับความจนเราก็จนกับเขาเข้าห้องน้ำไม่มีน้ำอาบที่นอนไม่มีเราก็นอนแบบเขาห้องน้ำก็ไม่มีสะกวาดอะไรน้ำก็ไม่ค่อยมีเราก็เราก็ใช้ความสำรวมระมัดระวังไม่สุลุยสุไลการขบการฉันก็ต้องระมัดระวัง ไปจุ่มลงดูก็รู้จกว่าความจนมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อความสะดวกเป็นอย่างนี้ความไม่สะดวกเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็การที่ไปจุ่มาแบบนั้นเราได้ปรับเนือ้อปรับตัวมีผ้าปูนอนสปกปรกเหม็นสาดเราจะนอนอย่างไร <c oughs> แล้วก็มี <c oughs> ถ้าอาบน้ำผืนเล็กๆพอรองข้างตัวเองได้หวาบาทเป็นหมอนหมุนนอนไม่ต้องกระดุกกระดิกถ้ากระดุกกระดิกมันจะไปถูกผ้าผูนอนที่มันเลอะเลอะเถอะเราก็ทำได้เราสมัครจนเราสัมผัสกับความจนแต่ว่านั่นมันเป็นเป็นภายนอก แต่ว่าการศึกษากรรมฐานมันเป็นสัมผัสกับจริงกว่านั้นมีสติลงไปที่กายกายก็มีจริงมีหลักมีฐานเวทนาที่มันปวดมันเมื่อยก็มีจริงในสัมผัสตัวขณะที่ขณะที่สัมผัสกับกายขณะที่สัมผัสกับเวทนามีสติมีสติมี ส, ม, สมชัญญะขณะที่สัมผัสกับกายกับเวทนากับความคิดกับธรรม ถ้าขาดสติสัมปชัญญะมันก็ไม่ได้ศึกษาอะไรไม่ได้ไปจุ่มลองดูมันก็ตเลิดเปิดเปิงไปทางอื่นก็ไม่เห็นหลักเห็นแหล่งไม่เห็นหลักเห็นฐานเราจะทําอะไรทําให้ได้หลักฐานมันก็สําเร็จได้ยากการศึกษาธรรมะการที่จะบรรลุธรรมมันต้องมีหลักมีฐานพอสมควรเราจะมาดูหลักฐานมีกายมันก็มี ดูบ่อยๆดูบ่อยๆเห็นบ่อยๆกลายเป็นเรื่องของความรู้สึกความระลึกได้กลายเป็นเรื่องของความลื่อยความรู้สึกตัวมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีความระลึกได้ไม่ความรู้สึกตัวกับกายเมื่อมีความระลึกได้มีความรู้สึกตัวกับเปทนาที่มันเป็นสุกเป็นทุกข์เมื่อมีความระลึกได้ขณะที่คิดที่มันคิดแล่นไป โลดแล่นไปมีสติสมชัญญาขณะที่มันไม่ไรลคิดก็มีสติสมัญญะมันจะเกิดอะไรขึ้นให้เราทำตรงนี้ให้เราทาตรงนี้จึงจะชื่อว่าวิชากรรมาฐานมันจึงจะได้หลักได้ฐานมันจึงจะเห็นความเท็จความจริงมันเป็นอย่างไรสัมผัสกับความเท็จสัมผัสกับความจริง ความเท็จความจริงที่มันจะเกิดขึ้นที่จะได้พบเห็นต่อเมื่อได้สัมผัสของจริงเห็นกายสติมีในกายก็ไม่จริงสติมีในเวทนาก็มีจริงสัมผัสกับของจริงจริงแบบไม่จริงจริงแบบกริงก็ไม่เหมือนกันจริงแบบจริงก็สัมผัสลองดูแล้วจริงแบบไม่จริงก็สัมผัสลองดูแล้ว สัมผัสบ่อยๆพบเห็นบ่อยๆเจอคนบ่อยๆของเทศก็เจอบ่อยๆของไม่เท็จของกริงก็เจอบ่อยๆมันก็เป็นธรรมดามันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรมมนนธรมชาติธรรมะก็คือธรรมชาติธรรมดาจนเห็นเป็นรูปเป็นนามรูปมันก็เป็นรูปจริงไม่มีใครที่จะเป็นใหญ่ในรูปได้คาว่ารูปนะถ้าไปเห็นเป็นรูปล้ว แล้วก็เห็นเป็นกายเมื่อเห็นเป็นรูปแล้วนะมันก็สรุปสรุปเลยไม่มีใครเป็นใหญ่ในรูปได้รูปมันก็เป็นยังไงก็ต้องเป็นรูปอยู่นั่นตลอดเวลาถ้าเราไปเป็นตัวเป็นตนอยู่ในรูปมัวก็มอมเมาตัวเองให้เห็นของว่าเห็นของกิของไม่จริงว่าเป็นของกริง เห็นของกริงว่าเป็นของไม่จริง้าเห็นกายมีสติสมัญญะโดยเห็นตามความเป็นจริงของกิ่งเห็นของกริงคือมันจะต้องเป็นของกิ่งเห็นของไม่จริงว่าเป็นของกิ่งว่าเป็นตัวเป็นตนถ้าเห็นเป็นรูปเป็นนามแล้วมันจะบอกเป็นตัวเป็นตนอยู่ในกายอยู่ในรูปถ้าเห็นจริงๆริแล้วไม่ไม่เป็นอื่นเกี่ยวข้องกับกาย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 เมื่อเราไปเห็นเป็นรูปเป็นนามเ้าก็มันก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีตรงไหนที่จะเป็นพบเป็นชาติตันเป็นรูปจริงๆตัวเห็นก็เห็นจริงๆว่ามันเป็นรูปตัวรูปมันก็บอกว่านี่ฉันคือรูปอย่ามายุ่งกับฉันอย่ามาเป็นใหญ่ฉันแต่จะมาเอาฉันมาเป็นใหญ่แล้วไม่ไม่จริงไม่ถูกไม่ต้องมันก็บอกเราก็เห็นจน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 มันก็ไม่ร้อนไม่หนาวไม่ปวดไม่เมื่อยไม่หิวอะไรต่างต่างต้องเกิดขึ้นแน่นอนเพราะมันเป็นรูปเป็นนามมันก็ไม่เหมือนท่อนไม้ท่อนปืนก้อนอิฐ ก, ก้อนหินเขาก็แสดงสิ่งที่เขามีเขาก็แสดงเฉยเฉยเราก็ไปสําคัญมั่นหมายว่าเราสุขว่าเราทุกข์ สำคัญมันหมายว่าสุขว่าทุกข์แล้วไม่พอยังไปสำคัญมันหมายไปยึดว่าเป็นตัวเป็นตนยึดเป็นตัวเป็นตนเรายังไม่พอยังไปอดตัวตนที่ยึดขึ้นมานะว่าเหตว่าทุกขว่าสุขหลายลืบกเข้าไปดับเปิ้นเข้าไปหลายชั้นเข้าไปในลูกก็มีลูกในลูกในเวทนาก็ามีเวทนาในเวทนา ถ้าเวทนาเฉยๆมันไม่เป็นอะไรมันมีเวทนาในเวทนาในเวทนามันมีสุขมีทุกข์ในเวทนาถ้าเวทนาเฉยๆมันก็ไม่เป็นไรแั้นก็เป็นธรรมก็ฉลาดไปเลยเห็นจิตมันหาจิตก็คือมันคิดมันรู้อะไรได้พอมันอยู่กับรู้ก็มันตากแดดมันก็รู้ร้อนถ้าถูกละอองฝนมันก็รู้หนาว ก็เดินนานๆก็ลูกปวดลูเมื่อยนั่งนานก็ลูกปวดลูเมื่อยนอนนานเกินไปก็ไม่ไหวนั่งนานเกินไปก็ไม่ไหวเดินนานเกินไปก็ไม่ไหวมันเป็นลูกมันเป็นนามเพระลูปนาำมันต้องมีอาการมันไม่ไม่มีใครที่เป็นใหญ่ได้กับลูกกับน้ำที่มันเป็นอาการลูกน้ำเรียกว่าเป็นอาการอย่ามาเป็นใหญ่อาการฉันสุขฉันทุก ฉันร้อนฉันหนาวฉันอชอบฉันไม่ชอบอาการที่เขาเกิดขึ้นก็ไปเอาความชอบเอาความไม่ชอบความพอใจในความไม่พอใจแล้วก็กลายเป็นพกเป็นชาติลืบก็ไปอีกมืดก็ไปอีกปิดไปอีกถ้า <c oughs> เป็นสุขเป็นทุกข์เพรูปเพราะนามที่มันแสดงเราเรียกว่าทุพพลภาพทางรูปทางนาม รูปมาเป็นสุขรูปมาเป็นทุกข์นำมาเป็นสุขนามาเป็นทุกข์เรียกว่าทุกขผลภาพเมื่อรูปมันทุกขผลภาพอะไรที่มันเป็นสุขเป็นทุกขเพราะรูปมันก็มานก็ได้โอกาสมันก็ผ่านลงไปเป็นสุขเป็นทุกขใช่รูปเป็นสุขเป็นทุกขมาได้ใช่รูปเป็นสติเป็นปัญญาถ้าเรามีทุกขผลภาพเหมือนกับชีวิตเราอ่อนแอ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 ทุกกายมันก็ทำลายกายทุกใจมันก็ทําลายจิตใจเพราะมันเป็นที่ไหลเป็นที่ทับหน้ามันไหลผ่านตรงนั้นมันก็ต้องซอกหลงเป็นโศกเป็นเทวจุดอ่อนอยู่ตรงนั้นมันก็อ่อนตรงนั้นเอาลูกมาเป็นโศกเอานามมาเป็นทุกเอานามมาเป็นโศกเอานามมาเป็นทุกเอาลูกมาบัญญัติเอานามมาบัญญัติเอารูปมาสมมติเอานามมาสมมุติซ้อนเข้าไปอีก ตาเห็นรูปเฉยๆไม่ได้เฉยแล้วไปบัญญัติถือว่าชอบว่าไม่ชอบหูได้ยินเสียงเป็นธรรมดาเป็นรูปเป็นนามมันต้องได้ยินเป็นธรรมดาแล้วก็มีสมมติบัญญตัติมีความหลงแล้วก็มีสมมติบัญญตัติไปสําคัญแล้วก็มีอุปท า, านไปยึดเอาเป็นพบเป็นชาติอยู่ในบัญญตัติเป็นเป็นพบเป็นชาติอยู่ในบัญญตัติหลายชั้นต่อไปอีกก็กว้วน้าเหลวทั้งนั้น เกิดดับเกิดดับอยู่เช่นนั้นผู้ไม่มีสติสัมปชัญญะกับภพชาติก็ขยายขยันถ้ามีสติสัมปชัญญะมันก็คุมกําเนิดได้รู้สึกมันก็ถอนออกมาได้อันเดียวความรู้สึกตัวมันเป็นตัวเฉลยหลักเดียวภาษาที่พูดกันอยู่บ่อยๆคือดูคือดูนะให้เห็นเราเลย มันสุขก็เห็นหรือพูดแบบนักปฏิบัติมันสุขก็รู้สึกและเลึกได้อยู่มันทุกข์ก็รู้สึกและเลึกได้มันรู้ก็รู้สึกและเลึกได้มันไม่รู้ก็รู้สึกและเลึกได้มันสงบก็รู้สึกและเลิกได้มันไม่สงบก็รู้สึกและเลิกได้ในวิถีทางมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ทางที่จะต้องไปท่องปัญบบนั้นรู้สึกและเลิกได้ก็ผ่านแล้ว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 ในเราปฏิบัติทํามันต้องมีหลักฐานได้หลักได้ฐานแต่เป็นการฟ้องก็จะเอาให้เกิดกระบวนการยุติธรรมขึ้นมาแต่ไม่ได้หลักฐานการยุติความยุติธรรมเกิดขึ้นกับชีวิตเราไม่ได้มันก็จะต้องมองเหมาจะต้องเถื่อนอยู่เช่นนั้นใจรก็เถืเถ่อนใจเขาเถื่อนอะไรก็เถื่อนไม่มีความเป็นธรรมในชีวิต เพราะไม่ได้หลักฐานอะไรมาก็เอาตะพิ่ตะเพือบ้าหอบฟังแล้วก็มีวิธีอะไรเยอะแยะเจ้เจขัดเจ้จนเสือเคาะสะดะโชคก็มีต่อไปอีกเยอะแยะไปหมดเลยเอาบุญอยากได้บุญรัวบาปมีแต่ครัวมีแต่อยากได้รัวบุญเอาครัว บ, ววบาป แต่ว่าไม่เห็นบาปอยากได้บุญไม่เห็นบนุญมันก็ไม่ได้สักอย่างกัวบาปวันนี้บาปไม่เป็นอยากได้บุญก็ทำบุญไม่เป็นเอาบุญไม่เป็นเพราะไม่ได้หลักฐานไม่ได้หลักฐานถ้าเราไม่เห็นมามีสติเห็นกายเนี่ยมันจะได้หลักฐานได้หลักฐานยึดไปเรื่อยๆคลองพื้นที่ไปเรื่อยๆมีสติคลองกายแนบแน่น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 ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ถ้าสุขทุกข์มันก็จะเอากายไปห้อยไปแขวนไว้กับวัตถุสิ่งอื่นแล้วก็ล่มลูกคุกขานผู้ปฏิบัติธรรมเห็นอารมณ์กรรมฐานเบื้องต้นต้องเห็นรูปเห็นนามเห็นสมมติเห็นบัญญันิเห็นอาการเห็นวัตถุเห็นวัตถุเห็นอาการวัตถุก็คือตาเราเนี่ยเป็นวัตถุรูปก็เป็นวัตถุเมื่อมันเห็นกันล้วก็เกิดอาการ อาการที่เกิดการเห็นเมื่อเห็นแล้วไม่มีสติก็บัญญัติสมมุติไปความพอใจความไม่พอใจกลายเป็นสมมุติบัญญัติความรู้สึกตัวเป็นปรมัตสัจความโกรธเป็นสมมุติความทุกข์เป็นสมมุติความรู้สึกตัวเป็นปรมัตแต่เราไม่ค่อยเห็นเป็นอย่างนี้เห็นก็เห็นเดียวไม่เห็นเป็นทางเหมือนกับ ถ้าเห็นทุกข์ก็ต้องมีความไม่ทุกข์มัน จ, จะเกิดทุกถ้าเห็นความโกรธก็ต้องมีความไม่โกรธถ้าเห็นความหลงก็ต้องมีความไม่หลงนี่คือการศึกษาจริงๆต้องสัมผัสได้แบบนี้ทาไมสัมผัสแบบนี้ก็ผ่านไปไม่ได้หรอโซไม่แจ้กคุแจไม่ใช่ไม่ไขเข้าไปไม่ได้โกรธจนตายหลงจนตายทุกข์จนตา ย, ตายถ้าได้อารมณ์ของกรรมฐ า, านมันไปจริงๆไปจากความหลง ไปสู่ความไม่หลงไปจากความทุกไปสู่ความไม่ทุก Emin ไปจากความโกรธไปสู่ความไม่โกรธแม้มันจะโกรธเองก็ไปโกรธท <does kami> ีไรมันก <monkeys> ็ผ่านไปได้หลงทีไรก็ผ่านไปได้ทุกทีไรก็ผ่านไปได้เรียกว่าปฏิบัติธรรมเรียกว่าทางผ่านเรียกว่ามักมักก็คือผ่านไปแล้วไม่ใช่ไปอยู่คําว่าผ่านเคยอยู่ข้างหลังแล้วความหลงอยู่ข้างหลังแล้วความโกรธอยู่ข้างหลังแล้วความทุกอยู่ข้างหลังแล้ว แม้มันมีอีกเท่าไรมันก็เอามาว้ข้างหลังได้มันจึงเป็นการเดินเราเดินน่ต้องเอาบ้านนั่นว้หลังเอาเมืองนี่ว้หลังมันจึงเป็นการเดินทางเรียกว่ามักมันก็พิสูจน์กันได้แบบนี้เร็วข้ามล่วงแบบนี่ล่วงพ้นภาวะเก่าแบบนี้ไม่ใช่รุ่นเราคำคณเนยคำนวณสุม่มไม่ใช่แบบนั้นมันเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรม เป็นรูปประธรรมเป็นนามประธรรมในรูปในนามที่มันเห็นสิ่งที่ตามเฉลยคือใจลักอยู่ในสภาพที่เป็นรูปประธรรมที่เป็นนามประธรรมที่มันเป็นสมมุติที่มันเป็นบัตญยญัแล้วเป็นหลงสําคัญว่าสิ่งนั้นเป็นเราเป็นเขาเชื่อนความโกรธความโกรธที่มันเกิดขึ้นจากความหลงมันไม่เที่ยง ความไม่หลงมันเที่ยงความไม่ทุกข์มันเที่ยงความไม่โกรธมันเที่ย ง, ม, ง ม, มันจริงเพราะเด็นมันจึงเหลีวไหลใครเห็นความโกรธความโลภความหลงเป็นเรื่องเหลีวไหลเป็นเรื่องสุกปลุกเหมือนเราเป็นผู้ใหญ่เห็นครูดแล้วก็ไม่เข้าไปแตะไปต้องไม่เหมือนเด็กเด็กแต่เห็นครูดก็ก็เล่นมอมแมมได้ ในเราเป็นผู้ใหญ่เราก็ไม่มอมแแมมเหมือนเด็กความหลงมันกับมอมแแมมความโกรธมันกับมอมแแมมทำให้สกปรกเราก็สะอาดแล้วะสะอาดคืออะไรสะอาดคือพรหมจรรย์ภาวะที่รู้ที่ดูที่เห็นเนี่ยเป็นพรหมจรรย์ภาวะที่เป็นมันสกปรกเอามันอยู่นี่และเพราะมันต้องผ่านตรงนี้การปฏิบัติธรรมมันจึงจะเป็น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 กาเห็นเราก็มีสติสมชัชญยะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาํำจัดกิเลสกิเลสคือสิ่งไหนที่ทาให้เศร้าหมองํำจัดลงได้มากก็เป็นพระมากํำจัดลงได้น้อยก็เป็นพระน้อยนกําำจัดสิ่งที่เศร้าหมองกันเกิดขึ้นทำให้หลงทำให้โกรธจึงจะเป็นพระถ้าโกรธอยู่ไม่ใช่พระแต่ทุกข์อยู่ก็ไม่ใช่พระถต่งม ง, งายอยู่ก็ไม่ใช่พระ พรคือประเสริฐประเสริฐคือยังไงไม่หลงสิ่งที่เคยหลงไม่หลงสิ่งที่เคยทุกข์ไม่ทุกข์สิ่งที่เคยโกรธไม่โกรธเราประเสริฐกว่าเก่าไม่เปิดไม่เพื่อนเหมือนเมื่อก่อนนะปฏิบัติธรรมก็ต้องไปทางนี้ท่านเราจึงสัมผัสจริงๆเพียรพยายามที่จะรู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วความรู้สึกตัวเราก็ทําได้จริงๆ เพียกระดิกนิ้วมือก็รู้ได้แล้วหายใจเข้าก็รู้ได้แล้วคืนน้ำลายก็รู้ได้กระพริบตาก็รู้ได้ยิ่งพวกเรามปเจตนายกมือสร้างเสวะยิ่งเป็นอัติเลกกรลาบของเราหน้าที่โดยตรงพากันไปเดินจงกรมอยู่ศาลาพากันไปนั่งสร้างเสวะอยู่ศาลาเห็นกัญญาณมิตรเป็นมิตรมันก็อติเลกกรลาบเป็นอัติเลกกรลาบของพวกเรา ไม่มีอะไรถูกแบ่งเว็นไแต่ความหลงมันจะแบ่งอันอื่นไม่มีมันเกิดกับเราเท่านั้นมันหลงมันสุขวันทุกข์มันจะแบ่งทําให้เกิดหลงไปแล้วก็แค่นี้เองแล้วก็เพียรรู้ไม่มีใครมาลอกมาเรียกไม่มีใครมาใช่ให้เราทํางานทําการอันอื่นไม่มีมันก็ตัวเราเองที่มันหลงพอเราเห็นตัวเราที่มันหลงมันก็ค่อยฉลาดขึ้นไปเรื่อยๆมันต้องเห็น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 เอาเหตุเอาผลไปเอาคำนวณคะเนคิดหาไปไม่ใช่สัมผัสกับกายไปเลยกายยานุปัสสนาสติริพฐานอาจารประสีวิหารติมีสติเห็นกายในกายอยู่เป็นปนระจําสอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้มีความเพลี่ยนมีสติมีความเพียนเครื่องผู้เฉลมีมีสติมีสมัชัญญะ มาทางนี่กลับมาทางนี่มนเกิดอะไรขึ้นไม่สติไม่สมันชนัญญะความเพียรคือกล้ากล้าที่จะเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้กล้าที่จะเปลี่ยนควา ม, วา ม, วามทุกข์เป็นความไม่ทุกข์กล้าตรงนี้ลองดูเปลี่ยนลองดูแต่ไม่เปลี่ยนมันก็ไม่กล้าไม่มีความเพียรความเพียรไม่ใช่ค่อยเป็นค่อยไปความเพียรคือกล้าสร้างความรู้เวลาใดมันหลง เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้นี่เรียกว่าความเพียรแต่มันหลงไม่เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ไม่ใช่ความเพียรแม้เดินอยู่นั่งสร้างสติอยู่ก็ไม่ใช่แต่มันหลงก็ปล่อยมันหลงไม่ใช่ในความเพียรแต่ว่าเกลียดขา้านพิสูจเกลียดขา้านพิสูจประมาทพิสูจไม่ประมาทไม่ประมาทในเมื่อผู้อื่นประมาท ย่อมละคนโง่ไปไกลเหมือนมาที่มีฝีเท่าดีละมาที่ไม่มีกำลังฉันนั้นเรว่ันความประมาทเราก็รู้สึกตัวไม่ประมาทอไม่มีอะไรที่จะแสดงให้เราเห็นชัดเท่ากับตัวเราหรอว่า ม, มีอะไรที่จะหลอกตัวเราได้กับตัวเราไม่มีตรงไหนที่ทำให้หลงมากกว่าตัวเราไม่มีอะไรทำให้ทุกข์ให้โกรธมากตัวตัวเรา ถ้าเราดูดีๆแล้วมันอยู่กับเราเท่านั้นเองคนอื่นทำไมโกรธคนอื่นทำไมทุกคนอื่นทำไมหลงไม่จริงแต่แท้มันหลงที่เรานี่แหละเพราะไม่มีสติถ้ามีสติแล้วมมนคนอื่นก็ไม่เจียวไม่ไม่ไม่ใช่เด็ดขาดแต่วนเราก็ไปโทษโน่นโทษนี้ไม่ได้ดูแลตัวเองตามความเป็นจริงไม่แค่ไม่กลับไม่มีสติไม่ตั้งมั่นไม่ใส่ใจไม่ลาดับไม่ลานา มันก็ต้องความหลงก็่อหอบผิวเราไปเอาตัวเราเป็นตัวหลงเอาตัวเราเป็นตัวสุขเอาตัวเราเป็นตัวทุกข์รับใช่ความหลงรับใช่ความสุขรับใช่ความทุกข์เป็นชี้ค่าของความหลงเป็นชี้ค่าความทุกข์โอ้ยไยออกมาสติเพปัญญาเป็นการไยออกมามันทันทีทันใดมันซึ่งใจ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 นอกว่าที่ไหนเป็นเรื่องที่เราเห็นกับตาทำกับมือเราสัมผัสอยู่ความหลงก็เคยสัมผัส ด, ดูความรู้ก็เคยสัมผัส ด, ดูแต่ว่าให้มันพอเหมาะพอดีเวลาใดมันหลงกัรู้แล้มันไม่หลงก่ารู้ไปรู้ไปให้เป็นเจ้าเรือนเจ้าบ้านเป็นเจ้าของมันจึงจะเห็นจึงจะรักษากายใจได้ถ้ากายใจอยู่ตรง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 เรายังดูแลรักษาเ น, นื้กายใจมันอยู่กับเราแท้แท้ทำไมเราจะทําไม่ได้ทําไมจะรักษามันไม่ได้ทําไมจะดูแลมันไม่คุม้มทําไมจะช่วยมันไม่เป็นแต่ช่วยไม่ได้ตรงนี้ที่มันเห็นกับตาไนงะไม่รู้ว่าจะไปทําอะไรแล้วชีวิตของเราอ่านปฏิบัติธรรมก็การมาช่วยมาดูมาแลให้มันพ้นภัยอย่าให้มันมีภัย เนี่ยปฏิบัติธรรมคือความรู้สึกตัวคือความรู้สึกตัวอ๋อเอาละวันนี้ก็สมควรแค่เวลา